ปัญหาข้อที่19อธิบายและตอบปัญหาเรื่องชาวต่างชาติเป็นคนศาสนาอื่นอ้างว่าได้ติดต่อกับเทพเจ้าชั้นสูงซึ่งเป็นพระในพุทธศาสนาชื่อพระมหาโมคคลานะซึ่งนับเป็นเรื่องน่าแปลกมากทีเดียวเพราะถ้าเป็นคนพุทธที่รู้จักชื่อนี้มาก่อนอาจเข้าใจว่าจินตนาการหรือจิตสร้างภาพขึ้นตามข้อมูลเดิมได้เรื่องนี้น่าเชื่อถือแค่ไหน มีเหตุผลที่ควรเข้าใจให้ตรงอย่างไรกับเรื่องของธรรมานิมิตและการได้เจอโอปปาติกะที่เป็นเทวดาของจริงปัญหาข้อที่19พระมหาโมคลานะในหนังสือการติดต่อวิญญาณหน้า267เอสเทลโลเบิร์ตได้บันทึกไว้ว่า ท่านเมฆแดงได้มาเล่าให้ฟังว่าท่านได้เคยพบกับเท พ, พเจ้าผู้สูงศักดิ์มากองค์หนึ่งชื่อว่ามหาโมกคลานะที่ในประเทศอินเดียซึ่งข้อความที่เอสเทลโลเบิร์ตได้บันทึกไว้มีดังต่อไปนี้สิ่งที่น่าอัศจรรย์อีกอันหนึ่งก็คือก่อนหน้านี้สองปีท่านเมฆแดงได้ทำให้มาการสและข้า พ, พเจ้าได้รับความอัศจรรย์งงวยมาก โดยท่านได้กล่าวถึงเทพผู้มีศักดิ์สูงมากองค์หนึ่งผู้ซึ่งได้ช่วยเหลือท่านเซอร์จอรนและผู้ซึ่งท่านเมคแดงได้เกิดติดต่อกันมาก่อนเมื่อหลายปีมาแล้วในอินเดียหลายต่อหลายครั้งที่ท่านเมคแดงสะกดชื่อของเทพผู้มีศักดิ์สูงอ ง, องค์นี้ให้ฟังแต่ด้วยเหตุใดก็ไม่ทราบดิฉันไม่สามารถจะจำชื่อนี้ได้สักทีคงจำได้แต่อักษรหตัวแรกคือคำว่ามหาโม M, ah M A H A M O คำว่ามหาโมเท่า น, นั้นเองสุวนอักษรหกตัวที่เหลือนั้นแม้ดิฉันจะพยายามจำสักเท่าไหร่ก็ไม่สามารถจะจำได้แต่สำหรับท่านเซอร์จอรแล้วเพียงแต่มหาโมหกตัวนี้ก็เป็นที่จำแจ้งสำหรับท่านท่านเซอร์จอรบอกว่าท่านจำได้ดีว่าเป็นชื่อของอ克拉สาวกองหนึ่งของพระพุทธเจ้าซึ่งมีอยู่สององค์ด้วยกัน ท่านเซอร์จอบอกมาเกเรตว่าครั้งหนึ่งท่านได้ไปทําการบูรณะเนินดินแห่งหนึ่งซึ่งมีอธิธาต์ของพระพุทธเจ้าและของพระอัครส า, าวกชื่อมหาโมคคลานะและสารีบุตรฝังอยู่ภายใต้ท่านได้พยายามบูรณะสถานที่นี้ด้วยความเอาใจใส่และได้เสียเวลาไปเป็นนั้นมากเพราะท่านได้พยายามอย่างประนีบรรจงอย่างยิ่งที่จะบูรณะขึ้นมาให้อยู่ในสภาพดีตามเดิม และในระหว่างนั้นท่านเชื่อว่าท่านมหาโมกขลา น, นานี้คงจะได้สังเกตเห็นความพยายามอันเป็นกุศลของท่านเหมือนกันอันนี้เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจอย่างยิ่งซึ่งแสดงว่าเวลาและสถานที่นั้นไม่มีความหมายเลยสำหรับผู้ที่ละทิ้งกายเนื้อผลจากโลกนี้ไปแล้วข้อความตามที่เอสเทลได้บันทึกไว้นี้ เมื่อพิจารณาตามหลักของพระพุทธศาสนาก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะตามหลักพระพุทธศาสนาถือว่าผู้ที่เป็นพระอาหารหันต์และปริณิพานไปแล้วย่อมไม่มีตัวตนปรากฏไม่ว่าที่ไห น, ไหนและเวลาใดแต่จากข้อความที่บันทึกไวน้นี้ปรากฏว่าท่านเมฆแดงได้พบกับพระมหาโมคลานะและบอกด้วยว่าเป็นองค์เดียวกัน กับพระมหาโมคคลานะที่เป็นพระอัครส า, าวกของพระพุทธเจ้าซึ่งโดยความเป็นจริงแล้วยอมเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงได้สงสัยว่าน่าจะต้องมีการเข้าใจผิดอะไรกันสักอย่างหนึ่งและเมื่อข้าพเจ้าได้เรียนถามท่านเมฆแดงท่านก็บอกว่าท่านได้พบจริงๆในบริเวณสถานที่บรรจุอัฐิของพระมหาโมคคลานะ แต่จะเป็นองค์เดียวกันกับองค์ที่เป็นพระอัครส า, าวกหรือไม่ท่านไม่แน่ใจเสียแล้วในเมื่อข้าพเจ้าอธิบายหลักพระพุทธศาสนาให้ฟังแต่ท่านก็ยืนยันว่าเทพเจ้าองค์นั้นท่านบอกว่าท่านชื่อมหาโมคคลานะแต่ไม่ได้บอกว่าท่านคือพระอัครส า, าวกและท่านยังได้เล่าถึงเรื่องพระพุทธเจ้าเรื่องพระมหาโมคคลานะและเรื่องอื่นอีกหลายเรื่อง ซึ่งเป็นเรื่องในสมัยที่พระพุทธเจ้ายัางทรงมีชีวิตอยู่ให้ฟังท่านเองไม่มีความรู้ในทางพระพุทธศาสนาและไม่เคยได้สนใจมาก่อนท่านเข้าใจว่าเป็นองค์เดียวกันกับพระอัครส า, าวกก็เพราะเห็นท่านเสื้อจอนบอกอย่างนั้นอันที่จริงในสมัยครั้งพุทธกาลและแม้ในสมัยต่อมาผู้ที่ตั้งชื่ออย่างเดียวกับบุคคลในประวัติศาสตร์มีมากมาย เช่นอย่างในปัจจุบันเราจะพบคนอินเดียที่ชื่อว่ากฤษณะซึ่งเป็นชื่อของเทพเจ้าชั้นสูงของศาสนาฮินดูอย่างนี้เป็นต้นแม้ในทางพระพุทธศาสนาก็มีเช่นนักปราดองค์หนึ่งซึ่งเป็นพระในพระพุทธศาสนามีชื่อว่ามหาโมคลานะท่านผู้นี้ได้แต่งคัมภีร์บาลีวยากรณ์ที่มีชื่อเสียงเล่มหนึ่งชื่อว่าคัมภีร์มูลกัจจยานะอย่างนี้เป็นต้น ฉะนั้นจึงไม่เป็นการประหลาดถ้าหากจะมีโอปปปาติกาที่มีชื่ออย่างเดียวกับพระมหาโม ค, คลานะขอให้สังเกตบันทึกที่เอสเทลโลเบิร์ตได้เขียนไว้เราจะพบว่าท่านเมกแดงท่านไม่ได้บอกว่าเป็นพระมหาโม ค, คลานะองค์เดียวกันกับที่เป็นพระอัคารส า, าวกแต่สำหรับเซอร์จอห์นซึ่งเคยรู้เรื่องของพระมหาโม ค, คลานะ เพราะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีของอินเดียพอได้ยินว่าท่านเมฆแดงได้พบกับเทพผู้สูงสักชื่อมหาโมฆลลานะในบริเวณสถุวซึ่งเป็นที่บรรจุอัฐิของพระสารีบุตรและพระโมฆลลานะท่านก็เลยเข้าใจว่าเป็นองค์เดียวกันกับพระมหาโมฆลลานะที่เป็นพระอัครสาวกทั้งนี้ก็เพราะท่านรู้ดีแต่ในทางประวัติศาสตร์ แต่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องธรรมะอย่างลึกซึ้งขอให้สังเกตข้อความตอนที่กล่าวว่าครั้งหนึ่งท่านได้ไปทาการบูรณะเนินดินแห่งหนึ่งซึ่งมีอัถิของพระพุทธเจ้าและของพระอัครส า, าวกชื่อว่ามหาโมคคลานะและสารีบุตรฝังอยู่ภายใต้ท่านเชื่อว่าท่านมหาโมคคลานานี้คงจะได้สังเกตเห็นความพยายามแอนเป็นกุศลของท่านเหมือนกัน จากข้อสังเกตดังที่กล่าวมานี้ก็เป็นอันสรุปได้ว่าเทพเจ้าองค์ที่ท่านเมฆแดงไปพบนั้นชื่อว่ามหาโมคลลานะจริงแต่ท่านไม่รู้ว่าจะเป็นองค์เดียวกันกับที่เป็นพระอาัคารส า, าวกหรือไม่เพราะท่านไม่มีความรู้เกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนาท่านจึงไม่ได้ซักถามเทพเจ้าองค์นั้นว่าเป็นองค์เดียวกันกับพระอัคารส า, าวกหรือไม่ท้าพเจ้าเข้าใจว่า ถ้าท่านเมฆแดงเข้าใจเรื่องธรรมะก็คงจะถามเทพเจ้าองค์นั้นแล้วว่าผู้ที่เป็นพระอาหารหันต์และปรินิพานแล้วทำไมจึงยังมีตัวตนปรากฏอยู่เนื่องจากท่านไม่รู้จึงไม่ได้ถามเพราะไม่สงสัยส่วนที่กล่าวว่าเป็นองค์เดียวกันกับพระอรหรสาวกนั้นเป็นความเข้าใจของท่านเสอจอรนสันนิฐานเอาเอง หมายเหตุผู้อ่านในปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานสายหลวงปู่มั่นก็มีการเล่าไว้ว่าได้พบกับพระอรหันต์ที่เป็นสาวกในสมัยพุทธกาลซึ่งในเรื่องนี้เข้าใจว่าเป็นธรรมานิมิตคือหลายสิ่งที่ได้เห็นนั้นท่านว่าได้เห็นจริงแต่สิ่งนั้นไม่ใช่ของจริงไม่มีอยู่จริงถ้าเทียบกับในบทก่อนนะครับ พลังงานชั่วร้ายยังก่อให้เกิดเป็นบางสิ่งเหมือนอย่างเช่นเรื่องของเหตุราในก่อนแล้วสามารถมีผลกระทบต่อมนุษย์และอบ ป, ปาติกะด้วยกันเองได้หรือการที่ไปสัมผั์วัตถุและสามารถเกิดภาพนิมิตในอดีตขึ้นมาได้ก็อาจไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับถ้าจะมีพลังงานบางอย่างหลงเหลือและปรากฏขึ้นมาเป็นนิมิตให้เห็นซึ่งพระอรหันต์นั้นพลังงานท่านเข้มข้นกว่าคนปกติหลายล้านเท่าอยู่แล้ว หลายกรณีก็เป็นการมโนการคิดหรือการฝันจิตสร้างมโนภาพขึ้นมาชนิดที่เป็นตัวเป็นตนจนยากจะไม่เชื่อว่าสิ่งที่เห็นนั้นไม่ใช่ของจริงและบางครั้งก็โชคไม่ดีที่เจอวิญญาณร้ายหรือโอปปปาติกะมิ ช, ชาทิฐิแปลงกายมาหลอกให้เข้าใจผิดทาให้คนจำนวนมากหลงเป็นมิ ช, ชาทิฐิแล้วแก้ไขได้ยากมากพระกรรมฐานสายพระป่านั้นท่านก็จะสอนเสมอว่าอย่าหลงนิมิต เมื่อมีนิมิตปรากฏก็ให้สักแต่รู้สักแต่เห็นและปล่อยวางอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเพื่อความไม่หลงเป็นมิจฉาทิฏฐิร้ายแรงขอแนะนำว่าในภาคทฤษฎีนั้นควรได้ศึกษาหนังสือพุทธธรรมฉบับปรับขยายสักครั้งหนึ่งเพื่อเป็นพื้นฐานในด้านปริยัติแล้วค่อยศึกษากรรมฐานด้านการปฏิบัติสายหลวงปู่มั่นและในสายอื่นที่น่าเชื่อถือได้ก็อย่างเช่นสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราช หรือหลวงพ่อสุรศักดิ์วัดมเหยยงเป็นตน้นก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับเพราะว่านิมิตนั้นทำคนหลงผิดกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิที่ถอนได้ยากมากจึงควรระวังเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งและต้องเข้าใจให้ถูกต้องตรงทางด้วยนะครับ